เศรียาวัดธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดที่สมี16สิกขาบท11ข้างต้นว่าด้วยอาการของบุคคลดังนี้พึงทมศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ 1. มีร่มในมือ 2. มีไม้พลองในมือ 3. มีสัตราในมือ 4. มีอาวุธในมือ 5. ้าสวมเขียงเท้า 6. กสวมรองเท้าเจ็ดไปในยาน 8. ปอยู่บนที่นอนเกนั่งรัดเข่าสิบพันศีรษะสิบเอ็ดคลุมศีรษะไม้พลองนั้น ยาวขนาดสี่อกสำหรับใช้ตีเป็นคู่กับไม้กระบองหรือไม้สั้นขนาดหนึ่งซอกอันสำหรับใช้ตีเหมือนกันแต่หาได้กล่าวไว้ในที่นี้ไม่สัตรากับอาวุธเป็นคู่กันต่างกันอย่างนี้สัตรานั้นได้แก่เครื่องประหารมีคมเช่นดาบและหอกอาวุธนั้นได้แก่เครื่องยิง เช่นสอดและปืนคำว่ามีของเหล่านี้ในมือนั้นหมายเอาตลอดถึงผูกสอดของเหล่านี้อยู่ในตัวแต่ในอัธกถาท่านอนุญาตสตราวุธที่สวมอยู่ในตัวแต่ไม่ได้กลุ่มข้อนี้น่าจะหมายเอาพวกทหารผู้ผูกสอดสตราวุธและพวกพลเมืองผู้ พ, ก, พกสตราอยู่กับตัวเช่นพวกมาลายูและพวกชวาวกกริะนั้น การผูกสอดและพบสัตว์ราวุธเช่นนี้เป็นตามธรรมเนียมของพวกชอบรบชอบสู้ไม่ใช่แสดงความดุร้ายท่านผ่อนให้ก็ชอบอยู่เขียงเท้ากับรองเท้าต่างกันอย่างนี้เขียงเท้ามีส้นรองเท้าไม่มีส้นแต่บางทีรองเท้าชนิดที่ห้ามไม่ให้ภิกษุใช้ก็พลอยถูกเรียกว่าเขียงเท้าด้วย ร่มและเขียงเท้ารองเท้านี้ครั้งโบราณถือว่าเป็นเครื่องไม่เคารพจึงห้ามไม่ให้กั้นร่มและสวมรองเท้าผ่านลานพระเจดีแต่ธรรมเนียมนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงมาฉันคนสุภาพใช้สวมเขียงเท้าเข้าสมาคมนั้นๆตลอดถึงราชสมาคมกิริยาที่ไม่สวมเสียอีกกลับเป็นมินหรือเลวเพ่งความนี้แล้ว กนอนุญาตเขียงเท้าที่สวมแล้วเป็นแสดงความสุภาพหรือความเคารพเว้นไว้แต่เขียงเท้ารองเท้าที่สําหรับสวมอยู่ที่บ้านที่เรือนสวมเข้าสมาคมเป็นดูหมิน่นยานนั้นคงหมายเอาชนิดที่ใช้หามหรือใช้ลากอย่างไปคนเดียวถ้าเป็นชนิดใหญ่นั่งไปด้วยกันแสดงได้อยู่ ผ้าพโพกนั้นในบางประเทศเขาใช้กันเป็นพื้นเมืองเช่นแขกบางพวกและพวกพม่าเป็นต้นเพ่งธรรมเนียมนี้กระมังพระอัฏฐกถาจารย์จึงจังกัดห้ามเฉพาะผู้โพกสีสามิดไม่เห็นปลายผมจุกแปลว่าถ้าไม่พันจนมิดปลายผมจุกใช้ได้ในบัดนี้คนทั้งหลายใช้หมวกกันเป็นพื้น ควรจะเทียบด้วยผ้าโพกเขาสวมหมวกแสดงความไม่เคารพใช้ไม่ได้ถ้าสวมตามธรรมเนียมของเขาเช่นพวกทหารในสนามเห็นว่าใช้ได้ข้อ12ว่าพึงทมศึกษาว่าเรานั่งอยู่ที่แผ่นดินจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะ ข้อสิบสามว่าพึงทำศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงข้อสิบสี่ว่าพึงทำศึกษาว่าเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่ข้อสิบห้าว่า พึงทำศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้เดินไปข้างหน้าข้อ16ว่าพึงทำศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้ไปอยู่ในทางธรรมเนียมภิกษุถืออริยาบทยืนเป็นเคารพ จึงห้ามไม่ให้ยืนแสดงทําแก่ผู้นั่งยืนทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังได้อยู่แม้ในอิรยาบถเสมอกันยังถือสูงถือต่ำถือหน้าถือหลังนั่งต่ำแสดงทําแก่คนนั่งสูงกว่าห้ามยอมแต่นั่งเสมอกันเดินหน้าเดินหลังเดินในทางนอกทางก็เหมือนกัน ในบาลีก็กล่าวถึงคนไม่เจ็บไข้ไว้ทุกแห่งแปลว่ายกเว้นให้ในเมื่อเขาเจ็บไข้เช่นนั่งแสดงธรรมแก่คนเจ็บผู้นอนอยู่บนที่นอนก็ได้แต่บางอย่างหรือโดยมากไม่เกี่ยวกับคนเจ็บเลยเช่นมีพลองหรือสตราวุฒในมือน่าจะเห็นว่าบทว่าไม่เจ็บไข้เติมขึ้นทีหลังในเมื่อปรารบถึงประโยชน์พิเศษ อันจะพึงให้แก่คนไข้เมื่อเติมเข้าไปไม่เติมทั้งหมดก็ลักลั่นรันเติมเข้าทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ตามความพอใจของข้าพเจ้าไม่เติมซะเลยดีกว่าในสิกขาบทใดคนไข้คนที่รับประโยชน์พิเศษก็แก้ไว้ในอนาปติวานอนาปติวานหรืออนาปติวาระ หมายถึงตอนว่าด้วยข้อยกเว้นไม่ต้องอาบัตในเพราะการละเมื่อสิกขาบทเมื่อไม่แก้ตามนี้จึงไม่มีอะไรจะแก้เก็บเอาข้อยกเว้นตามเคยมาแก้ดูเว้ไปอันหนึ่งการห้ามแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพนั้นก็ด้วยความนับถือเชิดชูธรรมน่าจะเห็นว่าเป็นข้อที่พระสาวกตั้ง มากกว่าพระศัสดาทรงเองนี้เป็นข้ออันหนึ่งซึ่งนักวินัยควรดาริในหมวดนี้มีปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ไม่เอื้อเฟื้อขืนล่วงตามเคย